เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่เจ็ดวันที่ส4ถึงสาสิเอ็ดนิมิตประจำตัวภูมิจิตของโสดาบันนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความสงบง่ายกว่าปุถุชนทั่วไปเหตุเพราะจิตไม่เอาเวรภัยและอากุศลธรรมหยาบอันเป็นเครื่องขวางสมาธิดังนั้นเมื่อโสดาบันมุ่งมั่นทำสมาธิสมาธิจึงเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว การมีสมาธิจิตช่วยให้เห็นอะไรตามจริงไม่บิดเบี้ยวไปตามอาคติง่ายๆโดยเฉพาะเมื่อสมาธินั้นประกอบอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นหัวขบวนนำการรู้เห็นสภาวะนอกไหนทั้งหลายย่อมผิดแผกแตกต่างจากครั้งเมื่อยังถูกโมหะนาปด บ, บังอยู่มากฉันพบว่าคนธรรมดาจะไม่รู้ว่าชีวิตตนประกอบกรรดีเลวอย่างใดไว้บ้าง เพราะความคิดนึกพูดทำทั้งหลายจะมาตามความเคยชินไม่ใช่มาด้วยอาการตั้งเข็มไว้ว่าจะตีกรอบพฤติกรรมด้วยศีลห้าและเมื่อทำอะไรไปแล้วก็ไม่มีการสำรวจว่าสภาพจิตใสสว่างขึ้นหรือมืดมัวลงจึงกล่าวได้ว่าเพราะความไม่รู้คนจึงทำบุญบาปตามแรงทยานของตัณหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งไป คำแนะเช่นจงทำดีนั้นฟังติดหูและเหมือนเข้าใจกันด้วยสามัญสำนึกทั่วไปแต่ความจริงมีรายละเอียดและข้อน่าสงสัยเป็นประเด็นจุดชนวนให้เกิดข้อถกเถียงซ้ำซากได้ไม่รู้จบรู้สิน้นแต่สำหรับผู้สำรวจจิตเป็นเห็นว่าความตั้งใจอันเป็นกุศลกับผลลัพธ์อันเป็นกุศลละจิตมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร ก็จะคลายความขัดข้องในทุกประเด็นลงได้บางครั้งเมื่ออยู่ในสมาธิตั้งมั่นสว่างระดับที่พอจะน้อมไปรู้อะไรอะไรตามปรารถนาฉันลองกำหนดดูชีวิตของตัวเองชีวิตคนควรเริ่มดูจากอะไรเอาสิ่งที่ฝากฝ่ยและกระทำเป็นประจำนั่นแหละเหมาะที่สุดด้วยสติที่คมชัดฉันเห็นความฝ่ายใจในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเป็นไปในทางเอาตัวเองให้รอดจากทุก เป็นสาวกถาวรตลอดนิรันการของพระพุทธเจ้าผู้พิสูจน์พระองค์เองแล้วว่ารู้จริงทุกเรื่องดังนั้นการเป็นสาวกผู้เลื่อมใสในพระองค์ยอมได้รับอ น, นิสงส์งเป็นการรู้ทางเดินที่ถูกที่ชอบเสมอนี่คือคุณของการยอมตนเป็นผู้เชื่อถือและรับปฏิบัติตามกัลยาณมิตรที่ประเสริฐฉันเห็นกายในอิริยาบถนั่งกายนี้บอกกรรมในอดีตโดยมาก ส่วนจิตนี้บอกกรรมในปัจจุบันอันเป็นรากแห่งอนาคตโดยรวมขณะจิตเดียวนั่นเองแสดงเกือบทุกสิ่งในตัวเองเมื่อกำลังสว่างใสเบาอยู่ย่อมเป็นนิมิตเครื่องบ่งบอกว่ากำลังอยู่ในสุขคติและจะดำเนินไปสู่สุขคติหากต้องขาดใจไปเดี๋ยวนั้นเนื่องจากกรรมอันก่อให้เกิดความสว่างใสเบาย่อมต้องเป็นกุศลและสภาพของจิต ก็เป็นกุศลตามกรรมเมื่อกําหนดดูอยู่ในจิตอันเป็นปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากกรรมที่คลี่คลายมาเป็นลําดับจดจ่อเฉพาะภาวะแห่งความเป็นสาวกพระพุทธเจ้าทําตามพระองค์สอนเชื่อตามพระองค์ตรัสจิตที่รวมเป็นหนึ่งก็ฉายนิมิตของภาวะรุ่งเรืองขึ้นมาที่แรกสัมผัสว่าเป็นสภาพสุขสกาวทางจิตแต่จิตที่ยังยึดมั่น และเกี่ยวข้องกับพบย่อมก่อรูปบางอย่างขึ้นและรูปที่ฉันเห็นในนิมิตก็คือชายผู้มีชีวิตอันเบาสบายสะอาดกายใจอุ ด, ดมด้วยเครื่องแวดล้อมอันน่ารื่นรมณจุดนั้นทำให้เข้าใจวิธีรู้เห็นเรื่องลี้ลับมากขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยจิตอยู่ในนิมิตไหนก่อกรรมอันใดโดยมาก ก็สร้างพบอันมีความเป็นเช่นนั้นไว้การที่คนเราเกิดมามีสภาพหนึ่งหนึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมหนึ่งมิใช่เรื่องบังเอิญหรือผู้มีอำนาจท่านใดส่งมาแต่มาด้วยการจัดสรรของกรรมมาด้วยความมีจิตยึดมั่นในพบของความเป็นเช่นนั้นฉันเริ่มมีความชำนาญมากขึ้นคือกระทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นกลาง และน้อมนึกถึงอะไรเหมือนยิงกระสุนคำถามเข้ากระทบแผ่นน้ำเรียบจิตจะกระเพื่อมเป็นนิมิตให้รู้เห็นสิ่งต่างๆและเงานิมิตที่เกิดกับจิตอันตั้งมั่นเป็นกลางก็มักสะท้อนภาพความจริงที่ปรารถนาจะรู้โดยปราศจากอัคติปกติเมื่อคนธรรมดารู้จักใครสักระยะหนึ่งก็จะเกิดมโนภาพเกี่ยวกับคนคนนั้นขึ้นมาในใจ เมื่อนึกถึงใครจะรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบทันทีนั่นก็เป็นนิมิตเบื้องต้นชนิดหนึ่งที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องฝึกหากสำรวจให้ละเอียดจะพบว่าทุกคนมีนิมิตประจำตัวกันทั้งสิน้นวิธีพูดกับคนรอบตัวการกระทำต่อคนที่เข้ามาหาให้เขาเดินกลับออกไปด้วยน้ำตาหรือเสียงโหเราะนั่นแหละคือรูปนิมิตกรรม อันเป็นเงาตามเจ้าของกรรมไปทุกผลทุกแห่งคนธรรมดาต้องรู้เห็นความเป็นไปของผู้อื่นนานๆจึงทราบว่านิมิตประจำตัวของเขาผู้นั้นเป็นอย่างไรและถ้าเขาผู้นั้นกระทากรรมในที่ลับไม่เป็นที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกนิมิตหลายต่อหลายส่วนก็อาจแหวงวิ่นไปแต่สาหรับผู้เจริญสติปัญญาแล้วไม่จาเป็นต้องรู้จักกันเสียก่อน ไม่จำเป็นต้องรอใครก่อกรรมให้เห็นในที่แจ้งเปิดเผยต่อสายตาเพียงน้อมจิตนึกถึงใครคนหนึ่งด้วยจิตที่ผ่องแพ้วเป็นกลางเต็มดวงก็จะปรากฏนิมิตของคนคนนั้นขึ้นเองบางทีอาจเป็นนิมิตนิ่งบางทีก็เป็นนิมิตเคลื่อนไหวบางทีก็ได้ยินเสียงหรือกลิ่นหอมเหม็นสุดแท้แต่จังหวะที่ได้รับรู้จิตจะคัดเลือกเอากมเด่น หรือที่แต่ละคนทำเป็นประจำขึ้นมาเองในภูมิจิตที่ยังเจอด้วยราคะโทสะโมหะอาจถูกบดบังด้วยคลื่นแทกได้หรือกระทั่งมีอคติได้เพราะรักหรือชังได้เพราะฉะนั้นฉันจะเลือกเชื่อเฉพาะขณะที่รู้แก่ใจว่าจิตสะอาดบริสุทธิ์จากคลื่นแทกทั้งหลายฉันเห็นตามจริงว่ายิ่งจิตเป็นสมาธิมาก ก็จะมีความเที่ยงตรงมากรวมทั้งคัดกรรมเด่นมาแสดงแบบไม่มีฝ้าหมาอกอคติเคลือบคลุมด้วยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานคือฤทธทางใจประการต่างๆนั้นเป็นจริงแท้ฉันไม่เคยฝึกฝนอภิญญาสาขาไหนเลยแต่การรู้อยู่ที่กายใจบ่อ ย, อยๆนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจธรรมาธาตุทั้งปวง เพราะจักรวาลทั้งจักรวาลนี้เป็นเพียงภาชนะรองรับภพบภูมิภพภูมิเกิดจากอุปาทานถือมั่นของจิตความหยาบและประณีตของภพภูมิจำแนกออกด้วยมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมของสังสารสัตว์นี่เป็นเหตุผลว่าเหตุใดจึงมีกระแสบังคับต่างๆเช่นภูมิประเทศร้อนหนาวการให้ผลดีร้ายของกระแสจากดวงดาว ความสั้นยาวของวัตถจักแห่งการเสื่อมและความเจริญทางธรรมชาติเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นหรือถูกจัดตำแหน่งด้วยความบังเอิญกระแสกรรมโดยมวลรวมล้วนเป็นตัวกำหนดและมีวิธีจัดฉากตั้งตำแหน่งให้เกิดความเป็นไปนานาสลับซับซ้อนเหนือจินตนาการจิตที่ฝึกอบรมให้รู้จักธรรมชาติของตัวเองดีแล้วเป็นกระจกเรียบใส ที่ฝ้าละอองเกาะติดยากแล้วไม่บิดเบี้ยวจนสะท้อนภาพผิดเพี้ยนแล้วย่อมน้อมไปรู้สิ่งต่างๆที่ไม่เกินขอบเขตศักยภาพแห่งจิตตนได้ง่ายสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสในมหาวชโคตสูตรว่าเมื่ออริยะเจ้าเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วจะเป็นไปเพื่อแทงตลอดในธาตุหลายประการ สำคัญคือถ้ายังไม่ทันฝึกสติปฐานสี่แต่จะเล่นสนุกฝึกอภิญญาตามรูปแบบวิธีนอกสติปฐานสี่ซะก่อนผลได้มักไม่คุ้มเสียที่เห็นชัดๆคือจิตจะถูกดูดให้ติดกับความสนุกนอกตัวจนกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นถอนยากพอจิตเป็นสมาธิแล้วจะโลดโผนโจนทยานออกข้างนอกเสมอไม่มีแก่ใจดึงกลับเข้ามาข้างใน และยิ่งถ้ารู้มากเห็นมากก็จะยิ่งเกิดอัตตามานะจำแนกแยกแยะพบภูมิอันพิสดารด้วยความระทึกและอยากเข้าไปมีส่วนในสภาพอันยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเป็นการเพิ่มแรงผูกยึดในภพโดยแท้ไม่เป็นไปเพื่อความสลัดคืนตันหาเลยต่างจากที่เริ่มฝึกสติปัฐานสี่จนคุ้นทางดำเนินจิตเข้ามาในขอบเขตกายใจก่อน ทำจิตให้ถึงความปลอดภัยก่อนอย่างนี้เมื่อจะเล่นสนุกอะไรก็ไม่ต้องพะวงเลยว่าจะพลัดหลงออกนอกลู่นอกทางสุขติสายตาของฉันที่มองคนในโลกเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเล่งแหล่ไปยังใครฉันจะเห็นเป็นสองชั้นชั้นแรกคือชั้นของกายอันเป็นเครื่องแสดงอดีตกรรมว่ามีน้ำหนักในทางดีหรือทางร้าย ยิ่งสมส่วนมากยิ่งความผุดผ่องมากก็ยิ่งแสดงถึงความมีศีลสัตว์มากแสดงถึงความมีฐานกรรมด้านดีมากกว่าด้านร้ายจึงได้อัตภาพที่เชิดหน้าชูตาน่าชื่นใจคนมองแล้วรู้สึกนิยมหรือพิศวาสง่ายและเท่ารวยแต่กำเนิดเกิดมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็แสดงถึงผู้มีฐานอันเลิศซึ่งมักทาบุญสุนทานขึ้น ยิ่งทำยิ่งได้และเห็นผลเร็วเพราะเป็นบุญต่อบุญยิ่งฐานกรรมเกี่ยวกับฐานทางกว้างขึ้นมากเพียงใดก็จะยิ่งมีความสุขความอุ่นใจมากขึ้นเพียงนั้นต่างจากคนที่ฐานกรรมเกี่ยวกับฐานแคบอยู่ต้องทานานและใช้กำลังใจมากจึงค่อยเริ่มเห็นผลต่างอย่างชัดเจนชั้นต่อมาคือชั้นของใจอันเป็นเครื่องแสดงปัจจุบันกรรม รัศมีจิตจะบอกเลยว่าออกไปทางมืดหรือสว่างฉันเห็นชัดยิ่งกว่าชัดว่าคนเราทำกรรมฝ่ายใดมากๆก็จะมีพลังฝ่ายนั้นก่อตัวชัดขึ้นชัดขึ้นและปฏิรูปตัวเป็นแรงดึงดูดให้จิตโน้มน้อมเข้าหากรรมนั้นๆสังเกตว่าอยากทำอะไรเพิ่มขึ้นอีกมากๆนั่นแหละฟ้องว่าความคิดของเราตกอยู่ใต้อิทธิพลของพลังฝ่ายมืดหรือฝ่ายสว่าง คนเราเก่อกรรมหลายๆอย่างจนจำกันไม่หวาดไม่ไหวว่าหนึ่งชาติทำอะไรไว้บ้างส่วนใหญ่ไม่ก่อกรรมแบบจะได้ไปรับรางวัลในภายภาคหน้าแต่จะก่อกรรมแบบที่เป็นหนี้ต้องชดใช้ภายหลังและระบบกรรมก็ไม่มีการแจ้งยอดชาระพร้อมแสดงรายการต่างจากหนี้บัตรเครดิตถึงรูดเยอะแค่ไหนก็มีรายการแจ้งกันลืม ลองคิดดูว่าตอนรูดบัตรเครดิตเพลินแล้วต้องมาร้องจากในภายหลังเมื่อเห็นยอดนั้นเป็นกันอย่างไรก็จะเป็นยิ่งกว่านั้นตอนจิตสุดท้ายย้อนภาพมาฉายให้ทบทวนว่าหนึ่งชาติทำอะไรไปบ้างเมื่อทำกรรมหนักไปทางด้านใดอย่างต่อเนื่องแล้วจิตเต็มดวงเป็นฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวก็ก่อเหตุการณ์หรือดึงดูดบุคคลแบบนั้นเข้ามาสู่ชีวิต การเริ่มต้นคิดพูดหรือทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบุคคลชั้นเลิศเช่นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นมหาบุรุษผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองผู้ชี้ทางสว่างผู้เป็นต้นทางออกจากวังวนทุกข์ผู้ไม่มีใครในสามโลกเสมอเหมือนนั้นจะก่อให้เกิดแรงดึงดูดเข้าหากรรมขาวหรือกรรมดำได้เข้มข้นกว่ากรรมชนิดอื่นการคิดพูด ทำกับพระพุทธเจ้าจะเบี่ยงเบนจากเส้นทางเดิมได้เร็วที่สุดเหมือนพระองค์ท่านเป็นกระจกขยายพลังกรรมส่งแสงขาวเข้าไปกระทบก็สะท้อนแสงขาวกลับออกมาส่งกระแสมืดเข้าไปกระทบก็สะท้อนกระแสมืดกลับออกมาด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างน่าตกใจจิตที่เต็มดวงในทางคิดดีและเลื่อมใสพระพุทธเจ้า จะทำให้มีแต่เรื่องดีเกิดขึ้นไม่สิ้นสุดแต่จิตที่เต็มดวงในทางคิดร้ายและหมิ่นพระคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทําให้มีแต่เรื่องร้ายมากมายเกินคํานวณเพราะบุคคลเมื่อเลื่อมใสผู้ใดยอมยอมรับและซึมซับแนวคิดในการดําเนินชีวิตของผู้นั้นมามากเสมอพระพุทธเจ้าให้บวชเพื่อทํามรรคผลนิพพานให้แจ้ง แต่ปัจจุบันมีคนบางพวกจะบวชเพื่อทำชื่อเสียงเงินทองให้โจงครึมคนยุคเราถูกพระปลอมหลอกกันเสียจนสมองชาไม่มีใจเหลือพอสำหรับพระจริงอีกต่อไปอย่าว่าแต่อริยาบุคคลซึ่งขาดแคลนจนเหมือนเป็นเพียงตำนานเล่าขานนานนมที่ไม่มีอยู่จริงเช่นนี้แล้วยุคเราย่อมขาดผู้สืบทอดผู้เป็นภาพแทนผู้ชักจูงให้คนในโลก หันกลับมาเลื่อมใสพระพุทธองค์ตรงข้ามอาจกระเดียดไปในทางคิดไม่ดีกับพระพุทธองค์ผู้สถาปนาศาสนาพุทธขึ้นง่ายๆมีการสำรวจว่าปัจจุบันคนทำกิจกรรมใดกันมากในวันหยุดชายหญิงโดยรวมเพียงไม่ถึงห้าคนในหนึ่งร้อยคนตอบว่าใช้เวลาไปในการทำบุญใส่บาตรเข้าวัดฟังธรรม นอกนั้นจะใช้เวลาในชีวิตให้หมดไปกับการท่องเที่ยวและพักผ่อนอยู่กับบ้านกรรมของคนส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินรับใช้ราคะกันทั้งชีวิตไม่ใช่เพื่อความพัฒนาสู่ความเจริญแต่อย่างใดเลยคนส่วนใหญ่เกิดแล้วตายไปเฉยเฉยแม้รู้ว่าโลกนี้ประเทศนี้มีพุทธศาสนาแต่ก็หารู้ไหมว่าทางพ้นทุกปรากฏแล้ว ทางรอดถูกชี้แล้วเนื่องจากไม่มีคนพูดถึงไม่มีคนขยายความไม่มีคนนํามาทําให้เป็นเรื่องง่ายทุกคนมีนิมิตรประจําตัวคุณเองก็มีเหมือนกันสํารวจดูเถิดว่านิมิตนั้นเป็นไปเพื่อเวรัยหรือเป็นไปเพื่อความปลอดภัยต่อตอนเองและผู้อื่นทางดําเนินอันถูกต้องไม่ได้ถูกฉายสว่างขึ้นโดยง่าย เมื่อเห็นแล้วก็ควรรีบรุดไปไม่รอช้าแข่งกับการเวลาที่จะเอาเงามืดมาปกคลุมหนทางไปอีกนานนับกับนับกันกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และชี้ทางเช่นนี้อีกสรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่เจ็ดหนึ่งบรรลุธรรมเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วไม่ว่าจะต้องเกิดอีกเจ็ดชาติ หรือสิ้นพบสิ้นชาติในปัจจุบันก็ไม่ต้องกลัวความตกต่ำอีกต่อไป 2. เริ่มรู้เรื่องกรรมและเห็นโทษเห็นภัยตามจริงของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้อิโนโอิเนเชื่อสนิทที่พระพุทธองค์ตรัสว่าหากบุคคลหวังจะท่องเที่ยวไปในภพภูมิต่างๆของสังสารวัฏเรื่อยๆก็อย่าหวังเลยว่าจะพ้นนรกได้ เพราะจิตมีธรรมชาติไหลลงต่ำไม่มีใครเลยที่ขึ้นกับขึ้นอย่างเดียววันหนึ่งต้องพลาดให้กับความไม่รู้หลงก่อเหตุแห่งความเดือดร้อนให้กับตนเองจวบสิ้นกาลนานเข้าจนได้